สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่อพิบาลนะครับวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจบโซภาษิตบทที่22ิบข้อ17ถึง2ี่ครับโซภาษิตบทที่22ิข้อ1 7บเถึงี่โปรดฟังพระวนจะนะของพระเจ้าจงเอียงหูของเจ้าฟังถ้อยคำของคนมีปัญญาแล้วเอาใจใส่ความรู้ของข้าเพราะมันน่าชื่นใจถ้าเจ้าจดจาสิ่งเหล่านั้นไว้และพร้อม จะพูดออกมาเพื่อเจ้าจะวางใจในพยาเวข้าจึงสอนตัวเจ้าเองในวันนี้ข้าได้เขียนให้เจ้า30สบข้อความเป็นเครื่องเตือนใจและความรู้แล้วไม่ใช่หรือเพื่อสอนให้เจ้ารู้ถ้อยคำแห่งความจริงที่เชื่อถือได้เพื่อเจ้าจะได้นำถ้อยคำแห่งความจริงกลับไปบอกผู้ที่ใช้เจ้ามาไ่ใช่หรือพี่นงค์คาโจนะของพระเจ้าในชาวันนี้ ดูเหมือนง่ายๆครับแต่สามารถที่จะวิเคราะห์แยกย่อยออกมาประการที่สำคัญซึ่งเป็นประเด็นของพระกัมพีในข้อ 17, 18, 19าทำให้เราเห็นถึงขั้นตอนของการมีพระเจะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราขั้นตอนแรกครับก็คือต้องฟังฟังแบบตั้งใจครับพระคัมพีใช้เป็นคำสั่ง บอกว่าจงเอียงหูของเจ้าฟังจงเอียงหูของเจ้าฟังหมายความว่าให้ฟังอย่างตั้งใจให้ฟังแบบใจจดใจจอ่อประการที่สองก็คือว่าให้เอาใจใส่ความรู้ให้เอาใจใส่ความรู้ก็คือเราจะต้องเก็บเกี่ยวความรู้ออกจากการฟังและใส่ใจให้ดีครับถามว่าทำไมต้องใส่ใจให้ดี เพราะว่ามันจะเกิดผลความชื่นใจมันจะเกิดความชื่นชมยินดีประการที่สามครับเราจะต้องจดจําพราะเจนะของพระเจ้าเราจะต้องจด จ, ำจํำพระเจ้าการจดจํานั้นหมายถึงการท่องจําครับและประการที่สี่ครับก็คือพร้อมที่จะพูดออกมาหมายความว่าเราจะต้องนอกจากการท่องจําแล้วนะครับ เราจะต้องท่องออกมาเป็นเสียงดังๆและสามารถที่จะพูดหมายถึงการอัดฐานที่ปลายพิจครับการที่เราทำสี่ประการนี้กับโจนณะของพระเจ้านั่นก็คือการเอียงหูฟังด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ที่จะได้รับบทเรียนจากโจรนะท่องจาโจรนะและ พร้อมที่จะอธิบายได้นี่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขสบายชื่นใจครับชื่นใจในที่นี้ก็คือความชื่นชมยินดีในขณะเดียวกันชีวิตของเรานั้นจะไว้วางใจในพระเจ้าและนี่คือความสำคัญของการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั่นคือพระวจนะครับพี่น้องเราจะต้องยอมรับสิทธิอำน า, น, นาจในพระวจนะที่พระเจ้าให้กับเรา มากกว่าสิ่งอื่นครับเพราะเจ้าน่าของพระเจ้าในตอนต่อไปบอกว่าโซโลมอนได้สอนเขียนให้ลูกๆของเขาถึงสามสิบข้อด้วยกันในวันต่อๆไปครับเราก็จะมานั่งฟังครับนั่งดูทีละข้อทีละข้อทีละข้อไป เ, เรื่อยเรียงกันตามดับเป็นข้อความเตือนใจ และสร้างสรรค์ความรู้ถามว่าเราทำไมจะต้องมีพจนานุกรพระเจ้าก็คือเพื่อที่จะเตือนใจเราเตือนสติเราเตือนสอนเราในขณะเดียวกันครับก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการดำเนินชีวิตแต่ละวันพี่น้องครับฟังสุภาษิตมาจนกระั่งถทุกวันนี้22บทแล้วคำถามของผมที่มีไ้ถึงพี่น้องก็คือว่าชีวิตของพี่น้องนั้นดีขึ้นจริงๆหรือเปล่า ชีวิตของพี่น้องรวมทั้งของผมด้วยได้รับการเตือนทุกๆวันจากโวจนาของพระเจ้าหรือเปล่ามีการปรับแต่งชีวิตของเราในด้านไหนบ้างมีการปรับเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นตรงไหนบ้างมีความรู้ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความอย่างรู้ความเข้าใจชีวิตเละเมื่อเกิดความเข้าใจชีวิตเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจคนอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับ พระเจ้าจของพระเจ้ามีไว้เพื่อสอนสอนให้เรารู้ถ้อยความถ้อยคําแห่งความจริงครับข้อความแห่งความจริงที่เชื่อถือได้คําว่าถ้อยคําแห่งความจริงก็คือพระเจนะของพระเจ้าทุกคําที่ได้รับการดนใจและบันทึกอยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าและเราจะสามารถถ่ายทอดหรือนําข่าวประเสริฐนําถ้อยคํานี้ไปถึงคนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนอื่นครับต้องยอมรับสิทธิอํานาจของพระกัมพีเสียก่อนครับถ้าเราไม่ยอมรับสิทธิอํานาจของพระกัมพีเราก็ไม่สามารถประกาศโพระจ้าของพระเจ้าได้ถ้าเราไม่ประกาศพระจ้าของพระเจ้านั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดพระกิติคุณได้ด้วยเหตุ น, นี้ขึ้นจักหลายแห่งจึงอ่อนแอครับเพราะว่ามีคนมาอยู่แต่ไม่สามารถถ่ายทอดพระกิติคุณได้อย่างสมบูรณ์สมาชิกในขึ้นจักร รวมทั้งศี่ยบานด้วยครับต้องเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดพระจนะของพระเจ้าต้องเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลขงแก่ของพระเจ้าต้องเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการประกาศข่าวประเสริฐประกาศาพระเกียรติคุณของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบดังนั้นเองในเช้าวันนี้นะครับผมจึงขออนุญาตแบ่งปัน ว่าข้าจึงสอนตัวเจ้าในวันนี้เป็นข้อเขียนให้เจ้าสามสิบข้อความเป็นคำเตือนใจและความรู้แล้วไม่ใช่นั่นหมายความว่า ส, สิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงแห่ง พ, งพระเจ้าได้ถูกถ่ายทอดออกไปแล้วคนที่จะอยู่ในทางของพระเจ้านั้นจะต้องมีท่าทีแห่งการเชื่อฟัง ท่าทีแห่งการยอมรับสิทธิทอำนาจของพระกรรมัมภีอะไรที่เราไม่เข้าใจเราเชื่อไว้ก่อนครับถ้าพระกัรมพีสั่งอะไรที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของเราให้เห็นด้วยกับพระวจนะของพระเจ้าอะไรที่เราบอกว่ารับไม่ได้นั่นหมายความว่าเราเองนั้นก็กบฏและไม่ยอมฟังพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นอย่าพร้อม ที่จะทําตามพระนจของพระเจ้าตั้งใจฟังถ้อยคำเอาใจใส่ความรู้ที่มาจากพระเจและจดจำท่องจำพระวจนะพร้อมที่จะพูดออกมาอาธิบายความออกมาได้พี่น้องครับน่าเสียดายที่หลายๆริศจักนะครับในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีการสอนการท่องจำข้อพระคัมภีร์ครับ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นซึ่งอาจจะเป็นผู้นําพิสจักรหรือเติบโตเป็นผู้ใหญ่โปรดอย่าลืมครับจะต้องจดจำพระชนะของพระเจ้าและอธิบายได้นั่นหมายความว่าเราต้องสอนลูกหลานของเราให้ท่องจําพระคภีร์ครับท่องจําพระคภีรนอกจากท่องจําพระคภีร์แล้วไม่ใช่เป็นนกแก้วนกขนทอง น, นะครับแต่ต้องสามารถอธิบายได้ด้วย การอธิบายความนั้นก็จะต้องเกิดการเรียนรู้เกิดจากการที่เราต้องอ่านเกิดจากการที่เราต้องค้นคว้าเพื่งครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่เป็นคริสเตียนทุกทุกคนครับอาเมน